การคมานาคมยังยากลำบากผนทางก็ทุรกันดารใช้เวลาเป็นวันๆนะกว่าจะถึงที่หมายระยะทาง 3-4-500 กิโลเมตรก็มีเศรษฐนะีกับขโมยบังเอิญนะเดินทางมาอยู่ในคณะเดียวกัน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 ได้มีโอกาสนอนห้องเดียวกันอีกวันรุ่งขึ้นตอนเช้านี่ขโมยนี่ก็คอยสังเกตว่าเสรียร์นี่เอาเงินเอาของมีค่าติดตัวไปด้วยหรือเปล่าในะขณะที่ลงไปกินข้าวก็เห็นเขาไปตัวเปล่า้นะพอเสรียรีลงนะไปกินข้าว ขโมยในก อ, อกจากห้องน้ำนะก็ใช้อุบายเดิมนะว่าลงไปก่อนนะเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนพอเษธีลงไปก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ค้นหาพอแน่ใจว่าเซธีนี่ต้องเก็บของมีค่าไว้นะในห้องนี้แน่นอนพอไม่ได้เอาติดตัวไปก็หาไม่เจอค้นหายังไงไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าใต้เตียง คนยังไงทุกซอกทุกมุมก็ไม่เจอก็เป็นอยู่วิอีกอีกวันสองวันนะจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันในเช้าวันหนึ่งนะขงโมยเนี่ยนะก็สงสัยมากทีเดียวนะว่าเศรษฐีนี่เอาของมีค่าไปซ่อนไว้ที่ไหนอยากรู้จริงๆก็เลยเปิดเผยว่าเนี่ย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 คำนวณการเกิดโซลูปราคาได้ล่วงหน้าเป็นหรือว่าเป็น10ปีเลยก็ว่าได้เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่น่าแปลกไหมเราไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าได้เลยแม้แต่น้อยว่าอีก1นาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรนะอย่าว่าแต่1นาทีข้างหน้าเลยนะอีก15วินาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะคิดอะไรหรือถึงแม้เราตั้งใจว่าจะไม่คิดนะภายใน10วินาทีเนี้ย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 แต่เรื่องไกลตัวพยายามหาเหตุหาผลหาความถูกต้องจากเรื่องที่มันอยู่นอกตัวแต่ว่าเรื่องของตัวเราเองเนี่ยเรากลับไม่รูนะ้แม้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีเรื่องเล่าว่าสมัยพั0สปีที่แล้วเนี่ยประเทศจีนก็มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะก็คือท่านเวยหลัง ท่านเวลานิตภายหลังก็ได้เป็นสังค ป, ปริญญายกของนิกายเซนแต่ว่าในเมืองจีนเ้าเรียกว่นิกายฉานหรือฉานนะเซนนี่มั น, เ ป, นเป็นคำของภาษาญี่ปุ่นนะเซนนี่ก็มีต้นกำเนิดนะมาจากรติฉานหรือฉานเนี่ยใ น, ในประเทศจีนในบรรดาบุรพจ า, านเนี่ยที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยในเมืองจีนก็คือท่านเวลางนะ เพราะว่าท่านเป็นต้นกาเนิดของการรู้ ร, รมแบบฉับพลัน น, นท่านรู้ธ ร, รเนี่ยนะตั้งแต่ยังเป็นคาราวาสทั้งทงที่ไม่รู้หนังสือแต่เพียงแค่ได้ฟังธทมฟังสโลกที่คนสวดให้ได้ยินในขณะที่เอาฟืนไปส่งเจ้าของไปส่งลูกค้าเนี่ยนะขณะที่ยังหนุ่มอยู่นะสักปีนั่นนก็บรรลุธรรมเลย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 พรทะเลาะกันเรื่องการเมืองนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนในเมืองไทยเนี่ยนะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะความลืมตัวนะไอตอนที่ทะเลาะนี่สิ่งที่ทะเลาะนี่เรื่องนอกตัวทั้งนั้นแลนะเหตุผลข้อมูลเนี่ยต่างก้องัดเอามาดีๆทั้งนั้นนะแต่ว่าพอลืมตัวแล้วนี่นะมันก็สามารถจะทําร้ายกันได้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 ตรงนั้นมีภูเขาแล้วก็มีถ้ำท่านดุกป่าก็คิดว่าเนี่ยจะลองอาจาจะจะค้างแรมในถ้าเนี่ยก็มีชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าบริเวณนี้มันมีโจร น, นะไอโจรนี่มันไม่เลือกเลยนะมันปล้นหมดนะไม่ว่าเสดธีไม่ว่านักบวชท่านอย่าพักที่นี่เลยท่นานทุกป่าบอกงั้นดีเลยนะ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 ขี้เละๆหรือเหลวนะแล้วก็ปิดปากถุงเอาไว้แล้ววางไว้ข้างตัวพอตกค่าเนี่ยนะไอโจทมันก็มาตามคาดมันมาเห็นเห็นท่านลุกปะหลับนะมันก็คิดว่าหวานหมูแล้วแล้วมันก็เอามือเนี่ยเอื้อมไปที่อ่าถุงเงินนั้นอ่ะไงแล้วก็เปิดถุงแล้วเอามือล่วงเข้าไป พอมือล่วงลงไปเนี่ยนะมันเจอไรเล่ๆเหลวๆก็สงสัยอะไรดึงขึ้นมากิ่นมันก็โชยนะพอโชยก็ตกใจนะมันเต็มมืออ่ะนะเต็มนิ้วเลยนะก็สะบัดนะสะบัดอย่างแรงไอ้มือนิ้วมันก็ไปถูกกับหินพอถูกก้อนหินเป็ไงเจ็บพอเจ็บแล้วทำงานก็เลยยัดใส่มือยัดใส่ปากนะเพื่อจะได้อ่คนเราเวลาเจ็บยันก็ต้องดูดนิ้วใช่หม ดูดนิ้วนะก็แปลว่านะได้กินขี้ของท่านลุกปากเต็มที่เลยนะอันนี้เรียกว่านิทานหลวงนิสอนว่าถ้าลืมตัวแล้วนี่ก็ทำอะไรได้ทั้งสิ้นแมกก้กระทั่งกินขี้ของคนอื่นนะลืมตัวไงนะเจ็บไงทีแรกตกใจนะว่าโอ๊ยเนี่ยมือเราเปื้อนขี้รีบสะบัดอย่างแรงเลยสะบัดอย่างไม่มีสตินะพอสะบัดอยังไม่มีสติข้อนี้ด้วยความตกใจเปไ็นไง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 นะฝ่ายหญิงก็ไม่ใจอ่อนนะผู้ชายก็เริ่มโกรธนะโกรธแล้วก็เริ่มทะเลาะกันผู้หญิงก็ดา่านะผู้ชายดา่าผู้หญิงผู้หญิงก็ด่ากลับนะแล้วก็เดินหนีนะผู้ชายโกรธมากก็บังเอิญ น, นะผู้หญิงเนี่ยเดินเข้าไปในห้องน้ำํำนะผู้ชายเนี่ยนะซึ่งอุตสาหลงทุนมางอนงอนแล้วไม่สําเร็จ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 สถานภาพทางสังคมด้วยเพราะว่าถึงแม้จะมีสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าลืมตัววู่วามไอ้ที่มีก็ศูญไปได้บัดดลก็ได้ะะนะคำเดียวพูดกันตอนนี้นะอากลับ